แนะนำบทสบะบทสบะเป็นบทมักกิยาะมีห้าสิบสี่องค์การบทนี้เริ่มโดยการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทรงบังเกิดทั้งหลายมีความสมบูรณ์ทรงทําให้กิจการทั้งหลายของโลกนี้เป็นไปอย่างรัตกุมทรงจะเตรียมจักรวาลด้วยความปรีชาญาณของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีจํานวนแม่เท่าปรมาณูหนึ่งปรากฏอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน จะไม่รอดพ้นไปจากความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยนี่คือหลักฐานอันยิ่งใหญ่ในความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งคือการปฏิเสธศรัทธาของพวกบูชาเวิตต่อพระโลกต่อการฟื้นคืนชีพหลังจากการตายไปแล้วพระองค์จึงบัญชาให้ท่ารถสุลลสลลลอหัวลยวัสลัสาบานด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่า ประโลกนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากความพินาศของสรรพสิ่งทั้งหลายบทนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของบรรดารอซูลโดยกล่าวถึงดบีดาวุฒและบุตรชายของท่านดาบีสุไลมานที่เราทรงประทานความโปรดปรานานาณาชนิดให้แก่ท่านทั้งสองเช่นการทําให้ยินเป็นประโยชน์แก่สุไลมานการทําให้นกและภูเขากล่าวสาอุดีพร้อมกับนบีดาวุฒ ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความโปรโดปรานของอเลาะที่ทรงประทานแก่นาบีทั้งสองนอกจากนั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงการสงสัยบางประการของพวกบูชาจเว็ตเกี่ยวกับสารของนาบีและรอยสูญคนสุดท้ายโดยได้ตอบโต้ข้อสงสัยเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้งนอกจากนั้นยังได้นําหลักฐานมายืนยันถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอเลาะอีกด้วย บทนี้จบลงด้วยการเรียกร้องพวกบูชาจเจวิตไปสู่การศรัทธาต่อพระผู้ทรงเอกะโดยเด็ดขาดซึ่งการจัดเตรียมกิจการต่างๆของสิ่งที่ถูกบังเกิดขึ้นทั้งมวล น, นั้นอยู่ในเงื้อมพระราชของพระงบทนี้ถูกขนานนามว่าซาบะเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องราวของซาบะซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของเยเมนโบราณ เป็นที่ปรากฏว่าชาวเมืองซาบะเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่รับความโปรดปานร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ตลอดจนที่พักอาศัยของพวกเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยเรื่องสวนไร่นาครั้นเมื่อพวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปานและความดีทั้งหลายของอลัลลอ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาพระองค์จึงลงโทษพวกเขาด้วยการให้น้าท่วมเขื่อนมะริบเพื่อพวกเขายึดถือเป็นบทเรียน และนิทัตอุทาหอนอันมีค่ายิ่งด้วยพระนามของเราพูทสงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสัรเสริญเป็นของอัลลอฮ ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และการสรรเสริญในพระโลกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้ยิ่งยุง พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่เข้าไปอยู่ในแผ่นบินและสิ่งที่ออกมาจากมันและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ในนั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยเสมอดาบมมย ลับดาผู้ปฏิเสธททากล่าวว่าวันโลกอวสานนั้นจะไม่มาถึงพวกเราดอกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าหาไม่ได้ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นหยานวิสัยมันจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีแม้แต่น้ำหนักเพียงเท่าทุลีในบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและที่เล็กยิ่งกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นจะรอดพ้นจากพระองค์เว้นแต่จะอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิน้น เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนกับบดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและปัจจัยอย่างชีพอันมีเกียรติอู้ที่ตัะงใจในพระบติขอาพระองคู้ที่ตั้งใจในพระบมมญัิจองพระองค ส่วนบรรดาผู้เพียรพยายามขัดขวางองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอันเลวร้ายอย่างเจ็บปวด